แห่งวันที่ 25 มกราคม 2507ณวัดตามมาตราจังหวัดอุดรธานีเราเป็นพระที่บวชในพระพุทธศาสนาคือพระของพระพุทธเจ้าในเจติยิกวิทยาคตตรงอย่าเห็นสิ่งอื่นใด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 เรื่องเสียต่างๆเพราะเห็นแก่ขึ้นภายนอกว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าพระของคนพระเราจึงกลายเป็นเรื่องตะเกียกตะกายไปตามผืนทั้งหลายโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นการปฏิบัติ ทุกๆข้อที่ดำเนินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการส่งเสริมพระของเอาให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นตนกลายเป็นพระที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในจิตเพราะอํานาจแห่งข้อปฏิบัติซึ่งเป็นเครื่องขัดเกา รากฐานของพระคือใจมีความรู้อยู่กําเพาะตนทุกๆขณะทั้งหลับและตื่นตถาปุจเจ้าที่ปรากฏเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาพระองค์ท่านก็ทรงอาศัยความรู้ที่เรียกว่าใจนี้เอง เป็นภาคพื้นแห่งความวิเศษทั้งหลายพยายามเจริญในพระองค์จนเต็มความสามารถแล้วได้ปรากฏเป็นศาสดาขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้ใจจริงเป็นพื้นฐานสําคัญ ที่ผู้สนใจต่อความดีเพื่อตนจึงเมื่อควรปล่อยใจให้เป็นไปตามหน้าของสิ่งที่จะทําลายและทําใจให้เสื่อมความดีของตนลงไปเราที่มาบวชในพระพุทธศาสนา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 อันดับต่อไปซึ่งผู้ปฏิบัติไม่พลาดธุระในทางความภาวนายอมจักเป็นไปเพราะความเพียรฉลาดและเยือกเย็นยิ่งขึ้นสามารถจะเห็นสิ่งลี้ลับซึ่งเกลี้ยงแฝงอยู่ภายในใจที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อน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 ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ทั้งนั้นพระโอวาททุกบททุกบาทคือประทานเอาไว้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเกลี้ยงจะประดับกายวาจาใจของเรา ให้มีสง่าราศีภายในตัวเองและมีความลุ่มเย็นเป็นติภายในทุกปฏิบัติได้เป็นอํานาจหน้าที่ของพระเราทั้งหลายได้ตึกษาเราเรียนมาพอประมาณและได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนดีเป็นประจํา ไม่มีข้ออื่นใดซึ่งควรจะเป็นที่สงสัยนอกจากว่าเราจะพยายามที่เป่งขวัญขวายบำเพ็ญหน้าที่ของเราให้ผลบุญยิ่งขึ้นเป็นลําดับเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจงมองดูตัวของเราให้รอบ ทุกอาการเปลี่ยนใหม่น่าจะเป็นไปเพื่อถูกทางหรือไม่คิดที่ทําทุกอย่างขอให้มีความตรงไกลคือมีความรู้สึกอยู่กับคุณหน้าที่ของตนอย่าให้เผลอเลย โกญข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นหน้าที่ของตนว่าเป็นของไม่จําเป็นภูนั้นคือว่าเป็นภูมิหมดคุณค่าภายในตัวไม่สามารถจะวีรฟื้นตนขึ้นมา ให้เป็นภูมิคุณค่าอันสูงได้สิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันมีการปัดกวาดตามพุทธวงศ์ควัดที่พระองค์ท่านประทานไว้แล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องธรรมะจิตใจ ดวงนี้ทั้งนั้นจงถือว่าสิ่งทั้งทั้งนี้เป็นของจําเป็นทุกระยะและทุกข้อด้วยและธรรมกิจเหล่านี้ด้วยความสนใจและเป็นทางเมื่อกิจผู้ละหน้าที่ที่เราทําลงไปด้วยความตรงใจ ตนจะเป็นเครื่องสนองตอบแทนขึ้นมาถ้าเราเป็นผู้มีความสําคัญอย่างต้นขึ้นทางกายก็สําคัญทางวาจาก็สําคัญทางใจก็สําคัญเพราะเป็นไปด้วยความตรงใจซึ่งเรียกว่าเป็นการถูกทํา ถ้าทำสิ่งใดด้วยความเถลือโดยไม่ตรงทางนั้นผลจะได้ก็มีเพียงเล็กน้อยนอกจากนั้นยังจะเป็นเถิดทําคนปูนนั้นให้เป็นคนเคยชินต่อความเถลือเราหาขึ้นดีไม่ได้เนี่ยจะทํางานดีกว่าหมู่คณะ ก็ทําโดยวิธีเผลอเลยจะทํางานประจําหน้าที่ของตนโดยเฉพาะก็จะเป็นผู้เผลอเลยอยู่ทั้งนั้นเลยไม่มีขณะหรือเวลาใดจะเป็นไปเพื่อความมีสติมีความตรงไตรงประจําหน้าที่ของตน ขั้นต่อไปต่อไปก็กลายเป็นคนหลับหลอดหาหลักยึดไม่ได้นี้กว่าจะเห็นว่าพระศาสนาไม่มีคุณค่าโดยที่เราเป็นผู้ให้คะแนนแก่พระศาสนาแก่เองแทนที่พระศาสนาจะเป็นแหล่งผิดคุณงามความดี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 แต่นั้นผู้ตั้งหลักฐานเพื่อตนเองให้เป็นความมั่นคงเป็นลําดับไปแล้วจึงควรถือปัจจุบันเป็นที่ตั้งหลักทางฐานต่อตนเองอย่าไปถือวันหน้าเพื่อการปฏิบัติตีปฏิบัติชอบอย่าไปถือการปฏิบัติตีปฏิบัติชอบ <c oughs> คือเดือนหน้าปีหน้าต้องถือปัจจุบันในตัวเองทุกขณะที่จะทํากิจการงานอันใดๆเป็นเครื่องปรับปรุงตัวเองอยู่ภายในนั้นจนเป็นผู้ชินต่อนิสัยในหน้าที่ของตนเรียกว่าการดัดแดงตนเอง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 แล้วสอดส่องตัวเองด้วยข้อวัดปฏิบัติคิดรู้ถูกโกรธได้สังเกตตัวเองอยู่ทุกๆเวลามีทางที่จะปรับปรุงตัวเองในปฏิบัติเหมือนอย่างต้นผลไม้เมื่อปรากฏขึ้นครั้งแรกก็เป็นต้นเล็กๆ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 ตรวจสอบตัวของตัวอยู่ทั้งหมดทุกขณะนี่แหละจะเป็นเหตุให้เรามีความตบเกิดโตขึ้นด้วยคุณงามความดีความฉลาดรอบคอบความมั่นคงภายในจิตใจทุกอย่างจะเป็นความสมบูรณ์ขึ้นจากการดำรงตนอยู่ในปัจจุบันทุกๆเวลาจะไม่มีที่ไหนเจริญเติบโตขึ้น นอกจากหลักการบำรุงตนอยู่โดยกระเพาะนี่แหละคนจะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นขึ้นจากเด็กที่รับการเลี้ยงดูดีสม่ำเสมอนี่แหละความรู้ของเราเพียงเล็กน้อยแต่จักกลายเป็นความรู้ความฉลาดสามารถขึ้นมาก็เพราะการบำรุงตัวเองความดีจะน้อยแต่ได้รับการบำรุง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 สติก็จะหมุนตัวเข้ามาได้อย่างรวดเร็วการฝึกหัดอบรมจิตกายก็จะเป็นไปได้ด้วยความประดวกเพราะอํานาจแห่งสติเป็นเครื่องประคองรักษาถ้าผู้ใดไม่เห็นเรื่องสติเป็นของสําคัญในทางความเพียรด้วยแล้ว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 แต่ถ้ามีสติเราจะทราบทัชในเรื่องลมหายใจทั้งหมดในขณะที่นั่งภาวนาอยู่นั่นแหละลมหยาบก็ต้องทราบลมปานกลางลมละเอียดต้องทราบละเอียดเข้าไปขนาดไหนเพราะอํานาจของสติรับรู้อยู่ทุกๆขณะ จะต้องทราบไปทุกกิริยากาลถึงกับจิตมีความสนิทเต็มที่ภายในตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับลมเลยก็ต้องศึกษาเพียงเท่านี้เราก็พอจะทราบแล้วล่ะว่าเรื่องของสติมีความสําคัญแค่ไหนเราจะส่งออกมาภายนอก ในอย่าบทยืนเดินนั่งนอนพอให้มีสติเป็นเครื่องรักษาอี่สนองย้อนเข้าสู่วงในได้แก่พิจารณาภายในสติก็จะเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วเพราะความที่เคยฝึกฝนอบรมอยู่เช่นนั้นเมื่อเราจะน้อมจิตไปสู่สิทธิธุระหน้าที่ทั้งภายนอกและภายในทวนหยาบและละเอียด สติจะเป็นผู้ทําหน้าที่ช่วยบํารุงจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสะดวกและเห็นชัดในสิ่งที่ตนพิจารณาอยากจะทราบจะไม่ออกเหือจากเรื่องของสตินี้ไปได้เลยเพราะฉะนั้นบรรดาท่านผู้ถึงทํามันเลิศมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น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 ที่รวมเป็นกองอยู่ภายในตัวของเราทั้งปวงขอให้หยั่งความเพียรลงในกองแห่งขันธ์นี้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจะเห็นเรื่องของขันธ์โดยชัดเจนทั้งรูปขันธ์ทั้งเวทนาขันธ์ทั้งสัญญาขันธ์ทั้งทั้งสังขารขันธ์ และวิญญาณขันโดยไม่ต้องสงสัยและจะไม่มีอะไรสามารถมาปิดบังฤทธิ์ลับขันธ์ที่ประกาศตัวเองอยู่ภายในดวงเรานี้ไว้ได้ว่าจะไม่ให้สติและปัญญาสามารถทุ้มแข็งแข็งตลอดในสภาวะเหล่านี้ขันธ์อันนี้ไม่เคยเปลี่ยนสภาพตัวเอง จากความเป็นของสิ่งนับตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาเป็นกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วผู้ปฏิบัติตามสวัขากะธรรมที่พระองค์ท่านประทานมานี้เหตุใดผลหลายหน้าที่จะปรากฏขึ้นแก่นักปฏิบัติผู้ทําโดยถูกต้องตามแนวทางนั้นจะปรากฏเป็นอื่นขึ้นมา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 และบำรุงทางสายนั้นเจริญขึ้นแล้วอาจจะทางสายนี้เสื่อมลงก็ได้แต่ธรรมมัคคิมาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างถนนโขนถามถ้าไม่เป็นเช่นนั้นแล้วแต่มีอยู่ในศูนย์กลางของกายเวทนาจิตธรรมนี้เอง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 ให้เห็นตามหลักความจริงของทุกข์ด้วยอํานาจของสติและอํานาจของปัญญาโดยจริงๆธรรมะของจริงที่พระพุทธเจ้าเคยประทานไว้แล้วนั้นจะปรากฏเด่นชัดขึ้นที่ภายในใจของเราคําว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ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 เราจะเห็นทุกข์เป็นของจริงขึ้นมาประจักษ์ด้วยปัญญาของเราซึ่งก็เป็นของจริงอันหนึ่งเมื่อเราไม่เห็นทุกข์ทั้งๆที่ทุกข์มีอยู่กับเราสมุทัยก็มีหน้าที่ที่จะต้องกีดทุกข์ขึ้นมาให้เราได้รับความทุกข์ความลําบากเสมอไปไม่มีเวลาหยุดยั้งเหมือนกันถ้าเราได้พิจารณาให้เห็นเรื่องของทุกข์ ที่มีอยู่ภายในกายและภายในใจของเราเป็นลําดับไปแล้วเรื่องของสมมุทัยก็เป็นอันว่าจักค่อยระงับลงไปเพราะอํานาจแห่งมรรคคือปัญญาและสติเป็นผู้พิจารณาการปฏิบัติ ตัวเองถ้ามองข้ามตัวเองก็ไม่เห็นเรื่องของตัวเองอ่านทุกข์สมุทัยนิโรธมรรควันย่างค่ำคืนย่างลุ่งแต่ไม่ได้อ่านตัวเองก็ไม่เห็นเรื่องของทุกข์สมุทัยที่มีอยู่ภายในตัวถ้าเรามาอ่านตัวของเราก็แสดงว่าอ่านสัจธรรมสัจธรรมก็มีอยู่ 4 ถ้าอ่านตัวของเราแล้วก็จะรู้ทัดในกัจจธรรมทั้ง 4 นั้นแล้วเราจะมีปัญหาอะไรกับคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกแล้วมรรคมาอ่านคุกอ่านสมุทรไทยภายในตัวของเราเห็นชัดแล้วเรื่องนี้โลธะคือความดับหรือความแตกแจง อะไรก็เอได้แสดงขึ้นมาเลยจากกัจจะทั้งสี่นี้ก็ไม่มีสถานีใดที่จะตั้งเอาไว้เพื่อเป็นข้อสงสัยของผู้ถึงแดนแห่งธรรมประเภทนั้นทําไมจึงอ่านตัวเองไม่ได้ขวางเรื่องของตัวเองก็มีอยู่หนังสือแสดงตัวทุกตัวก็หมู่ไทย เป็นตัวอยู่ทั้งตัวเราทําไมถึงจะอ่านไม่ออกกระทั่งในโรงเรียนเค้ายังมีที่มีฐานมีการมีเวลาแต่ตัวหนังสือตัวทุกตัวสมุทัยมีอยู่ภายในตัวของเรามีเวลาทําไมจึงอ่านไม่ออกนี่เนื่องจากจิตของเรา มองเลยขอบเขตความจริงนี้ไปหลักความจริงจริงไม่แสดงขึ้นมาให้เป็นเครื่องตอบแทนอย่างสมใจเพราะฉะนั้นโกรธได้ดูเรื่องของเราซึ่งไม่กว้างไม่แคบไม่ลึกไม่ตื้นมีธรรมรับรู้กันอยู่ทุกๆขณะ ในกายในใจของเรานี้จงดูให้เห็นชัดและบังคับจิตใจของตนให้มีเขตแดนอย่าให้เคลื่อนผ่านออกไปตามอําเภอใจจะไม่มีผลดีอันใดเกิดขึ้นมองดูเวลาไหนก็เห็นอยู่ ยังทำความรู้สึกว่าเวลานี้เราพิจารณากายตรงนั้นความรู้สึกนั้นก็รู้สึกว่าเด่นขึ้นในขณะนั้นทีเดียวนี่คือความมีสติประจําอยู่แล้วถ้ามีสติค่อยติดต่อกันเป็นลําดับไปความเด่นชัดในเรื่องการพิจารณานี้ต้องมีเป็นลําดับไป เทศน์มานี้ก็เป็นเวลานานขนเตยรับจากท่านผู้ปฏิบัติไปนี้รับอยู่ยังไงคล้ายกับว่าเขากลุ่มกาในองค์ที่ไม่มีกาลเทศธรรมะคําสอนของผู้เตชะ เหมือนกับไม่มีของจริงในบุคคลผู้ฟังเลยและผู้เถิดเลยใครก็มาเอาลมมาพูดให้สู่กันฟังเสือกๆความจริงไม่มีเมื่อมีแต่ลมไม่มีความจริงแล้วเราจะหวังอะไร พระธรรมก็เป็นความจริงขึ้นมาความจริงที่จะเกิดขึ้นนั้นก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วในจุดที่จะให้พิจารณาเพื่อให้บำเพ็ญเราควรจะทดสอบจิตใจของเราขณะที่นั่งภาวนาก็ดีหรือขณะเดินจงกรมก็ดี ว่าระยะที่นั่งหรือเดินอยู่นั้นขณะที่จิตไม่มีความเผลอลือไปนั้นตนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างและขณะที่จิตได้เผลอลือไปนั้นตนเองได้มีความรู้สึกเป็นผลอย่างไรควรจะนํามาเทียบเคียงกันเพื่อจะได้เพิ่มส่วนที่บกพร่องให้เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาภายในตน แล้วจะมีช่องทางเดินไปหรือก้าวไปในอันดับต่อไปแต่ถ้าเดินก็แล้วนั่งก็แล้วไม่ปรากฏจนถึงกับว่าสติได้มีความสนใจต่อตนเองหรือเผลอลือไปที่ไหนเป็นแต่เรื่องเผลอลือไปทั้งนั้นอย่างนี้แล้วก็หมดทางเทศน์ความ ไม่ทราบว่าจะเท็จไปอย่างเพราะได้ปฏิบัติมาอย่างที่อธิบายให้ท่านทุบฟังทราบทุกข์ทุกข์อย่างผลจะปรากฏขึ้นมานับตั้งแต่ส่วนยากเป็นลําดับตําดับไปย่อมจะเกิดขึ้นจากธรรมที่ได้อธิบายมาแล้วทั้งนั้นนอกจากนี้แล้วไม่มีทางไหน